ก็คงพบกันในเรื่องของบกินอากาศเทศนาเพื่อนนั้นว่าหลักใหญ่ในการปฏิบัติเพื่อกรมฐานก็แนะนำกันมาแล้วทั้งสองอย่างทั้งกรมฐานสี่สิบและมหาปฏิบัตานนสูตร <c oughs> ตอนนี้ไปก็มาว่าการเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆตามสมควรกับเวลา เพื่อว่าจะบอกอัจฉริยะใสของท่านอยู่บ้างทั้งนี้ก็ผมถือตามแนวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศอธิตปริยายาสูตรสอนท่านบรรดาท่านชถดินหรือว่าธรรมจักรกับปวัตตะสูตรสอนท่านปัจจาปัญญวคีหรือสีทั้งห้ามีท่านัญญาโกณัญญาเป็นตน้น เมื อ, องค์สมเด็จพระทศพลสอนท่านหลายเหล่านั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ต่อมาองค์สมเด็จพระพักระวันก็ทรงสอนพระกรณกเทศน า, า, าคือเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บนั่นนิดเก็บนี่หน่อยอามาเอามายิามาบายเพื่อความเข้าใจเพื่อท่านหลายเหล่านั้นจะได้ลดเนืลิดเนื้อตัด กิเลสที่เล็กเทียนน้อยตามปัญญาสัยจงกว่าจะเป็นสมุทเฉตประหารคําว่าสมุทเฉตประหารหมายเพราะว่าตัดขาดตายไปหมดปหาระแปลว่าทําลายสมุทเฉดแปลว่าตัดทำท ำ, ทำลายทําลายด้วยการตัดเทียรเล็กเทียนน้อยจึงกว่ากิเลสจะหมด นี่ปฏิบัติทาขององค์สมเด็จพระบระมสุคตเวลาสอนพระองค์สอนแบบนี้ฉะนั้นในเมื่อผมแนะนำพระบรมฐานทั้งสี่สิบแล้วก็มหาปฏิบัติานสูตรแล้วก็อะไรละ่ะเจริญหกนิวรณห้า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 องค์สมเด็จพระพุทธกัลยสอนแบบนี้บรรดาท่านทั้งหลายผมก็สอนแนะนําท่านท่านจะได้อะไรหรือไม่ได้ก็ไม่ชีวีใสของผมที่จะแไปก่อนขอท่านทั้งหลายที่ตั้งใจเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรโรดไข้ครควนกันเอาเองวันนี้ท่านฟังบุพกรรมของท่าน ัญญาโกรัญญะแล้วก็ท่านห5บหท่านมีมีใครละ่ะมีพระยศเป็นหัวหน้าเจียนว่าธนญยาโกนธัญญะนี่สมัยใชยก่ก่อนๆที่ท่านจะเป็นอรหันต์ถอยหลังไปจากนี้แสงกลับ ในศาสนาของพระบระทุ ม, มุตระถอยไปก้าสิบเอกกับในศาสนาของสําเร็จพระวิปัสสีความจริงเรื่องนี้รู้สึกจะเฟือเฝื อ, ฝอผมคิดว่าคนที่เลี้ยงบาลีนี่อาจจะพลาดไปนิดหนึ่ง เพรว่าบางในบางสมัยท่านกล่าวว่าสมัยพระปาทสมุตรนี่ถอยหลังจากเก้าจากนี้ไปเก้าสิบเอกราทีก็บอกว่าถอยหลังจากนี้ไปอีกแสนกับเป็นสมัยพระวิปสสีนี่ตรงนี้เลยครับอาจจะเผื่อไปหน่อยแต่ว่าช่างป็ไร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 ว่าต่อไปภายหน้าถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะได้สาเร็จอรหัตผลขอบรมีพระองค์สมเด็จพระทศพลและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายจงช่วยดลบันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นอรหันต์ก่อนใครทั้งหมดและในที่สุดมาถึงพระพุทธศาสนานี้ ท่านยังได้มีโอกาสพบองค์สมเด็ปจปจนสีก่อนคณะใดทั้งหมดและก็ปรากฏว่าเมื่อพระพุทธเจา้าทรงสแสดงธรรมมาจากกบรวรตันสูตรพอจบท่านก็เป็นประสูดาบันต่อมาองค์สมเด็จพระพักวรรณทรงสอนปะกินากะเทศนาเล็ก ๆ, ๆน้อย ท่านก็เป็นอาราหันต์ก่อนเพื่อนอีก4ีองค์เป็นอาราหันต์ที่หลัง <c oughs> ตอนนี้ที่ผมนำมาพูดก็เพราะว่าอยากให้มนรราท่านนันหลายมีความเข้าใจว่าการประพฤติทธรรมในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรยอย่างท่านอัญญากนทัญะในอดีต นี่ท่านมีหลักใหญ่ในการปฏิบัติคือประจำใจของท่านก็คือมีความพอใจในการให้ทานเป็นสำคัญ <c oughs> ซึ่งเป็นแนวเดียวกับท่านอนาธิปนิกาศเศรษฐี <c oughs> เมื่อพบองค์สมเด็จพระมหามุนีท่านอนาธิปนิกาศเศรษฐีก็พอใจในการให้ทานได้อย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกา ที่เป็นพระริยาเจ้าในสมัยนี้ก็ปรากฏว่าในสมัยนาอดีตท่านก็เป็นผู้พอใจในการให้ทานผลของการให้ทานของท่านัางสามความจริงมีมากกว่านี้ในครับ <c oughs> นยกแต่เพียงตัวอย่างตัวอย่างย่อยๆเท่านั้นผลเรื่องการให้ทานคือจิตหนักไปในทานอย่างเดียว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 องสมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสัญดาสัมมาสัสมพุมทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นจารคานุสติกรรมฐานฟังให้ดีนะขรับ <c oughs> าการให้ทานนี่เป็นจารคานุสติกรรมฐานการให้เป็นปัจจัยของการตัด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 ผมก็จะต้องขอที่บายสักนิดหนึ่งว่ารมของท่านที่มุ่งการให้ทานเนะี่ยท่านคิดแทนดีนะครับทานเท่าเราให้ผลอย่างย่อเรียกว่าเป็นโลกิยทานให้ทานเพื่อความสงสารให้ทานเพื่อความเคลื่อนเกื้อกูล ไม่หวังมักไม่หวังผลอย่างนี้จิตใจของท่านบุคคลนั้นก็ชื่อว่าดุจัญจาคานุสติกรรมฐานทานเพียงแค่นี้เป็นปัจจัยท่านหลายเหล่านั้นไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาได้และก็มีที่ประสมบัติมากถ้ามาเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากปราศจากความยากจนเข็นใจ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 นับแตือนเตือนเตือ น, น, นตื่นขึ้นมาที่เวลาการหลับใจคิดอยู่เสมอนั่นเองการให้ทานครุ้นคิดอยู่เป็นปกติไม่ขาดสายถ้าใจของท่านตั้งอยู่อย่างนี้ท่า น, านหลายคนได้โปรดทราบว่าใจของท่านตั้งอยู่ในฌานของจาคานุสติกรรมฐานคําว่าฌานก็คือเพ่ง เพ่งก็คือนึกครืออารมมันสองตัวจิตคิดอยู่ไม่เคยอยากจะโกงใครไม่เคยอยากจะลักจะขโมยย้แย่งเขาคิดอย่างเดียวอยากจะให้ <c oughs> อย่างนี้ชื่อว่ากำลังใจตั้งอยู่ในรมของฐานเป็นปกติท่านเรียกท่านเป็ น, นเรียกว่าฌานใจคิดอยู่อย่างนี้นะฌานนั้นไม่ใช่ไปต้องไปนั่งหลับตามันจึงจะเป็นฌาน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 แบบเข้าสมาธิหลับตา <c oughs> แต่รมใจของท่านนั้นหลโดยทนหนามีจิตเมตตาปราณีมีความกรุณาสงสารคิดอยากจะให้คนนั้นหลายมีความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทนใจคิดอยู่อย่างนี้ปกติเรียกว่าเป็นฌานในจากะคนุสติกรมฐาน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 นี่ถ้ากำลังใจขบันดาทนานหลายหวังในการให้ทานเพื่อมรักผลอย่างท่าอนอนัญญาโกณดัญญะคิดในใจว่าโดยอน้อยกุศลในในการให้ทานของเราคราวนี้จงเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงซึ่งปณิพาน์ที่บรรดาทา ย, ยกทั้งหลายพากันแนะนำในการถวายทาน เนลลงท้ายว่าอาสวักยาวาหังโหตุแปลว่าขอผลทานนี้จงเป็นปัจจัยเข้าไปเจ้ามีกิเลสอันสิ้นไปแล้วในวนนิพานปฏิโยโหตุเขี่แปลเป็นใจนความว่าขอเข้าไปเจ้าจงสำเร็จเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน <c oughs> ที่บรรดาทายกท่างหลายมักจะแนะนำในการถวายทานกันอย่างนี้ถ้าจิตใจของบรรดาท่านบรบิพัดบริสัทธ์ทรงแบบนี้แล้วว่าไปแล้วว่าใจทรงอยู่เป็นปกติเกิดไปพบราหันก็ดีพบพระพุทธเจ้าก็ดีฟังเลขเทศคราวเดียวก็เป็นราหั น, ย น, ย น, ยหนอย่างท่านญากรุัญญาเหนนี้อย่าง ว่าจากานุสติกมามฐานอันเดียวโดยเฉพาะก็สามารถจะทำคนให้เข้าถึงเสิ่งพนิพานได้สราแบบคณะก็เรานี่หนักประการให้ทานมากและก็พอใจในฌานอย่างอื่นด้วยช่วยกันเป็นหลายแขนงการให้ทานของท่านน่บางทีพระทั้งหลายบอกผมไม่มีสตังนี่เขารับ <c oughs> หลวงพ่อบอกว่าผมพอใจในการให้ทานไม่จริงหรอกบรรดาอมบาสกรมบาสิกาทั้งหลายที่อยู่ในเขตนี้บอกแหมหลวงพ่อในยกย่องทรงเด็ดเราไม่มีอะไรจะให้ทานบวได้เข้ามาแล้ววัดนี้ก็ไม่มีเขตปสณสกุลเมนก็ไม่มีจะหาความเป็นมหาเศรษฐีเอาอะไรมาให้ทานท่านบอก ทานกล่าวมาอย่างนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธว่าการให้ทานในวัตถุท่านอาจจะไม่มีหรือมีมั่งมันก็น้อยเกินไปแต่ความจริงวัตถุจะน้อยจะมากนีมันไม่สำคัญสำคัญที่กำลังใจของท่านน่มันทรงอยู่ในการให้ทานหรือเปล่า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 นี่เข้าใจสนิดหนึ่งแล้วก็มันเป็นของไม่ยากนั้นนอกจากนั้นผมอยากจะถามท่านสักนิดหนึ่งว่าท่านทำงานในกรณีกิจของสองทำงานกันทุกอย่างเนี่ยผมขอกล่าวว่าเกือบทุกองค์ในวัยของเราที่ผมไม่ได้กล่าวว่าทุกองเนี่ยผมไม่ทราบว่าองค์ไหนที่เกลียดมากหรือเปล่า ผมไม่รู้รู้แต่ว่าพระของผมส่วนใหญ่ท่านผิ้สูตรสมณใน น, นี้เป็นคนขยันงานการทุกอย่างที่ทำกันน่ผมไม่ได้สั่งทตั้งแปดสิบเปอร์เซนตและว่าทุกท่านเห็นว่าอะไรสมควรที่จะทำท่านก็ทำทั้งหมดบางทีท่านทาที่ท่านทำไปเนี่ยผมขอรับตรงตรง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 ที่เพราะว่าส่วนใหญ่นี่ผมไม่รู้ว่าผ้าอะไรขี้เกียจบ้างในตรงไหนขี้เกียจบ้างแต่ระวังให้ดีนีครับถ้าชมว่าดีแล้วก็อย่าเหลิงถ้าเหลิงมรรันาลายเลวมานั้นถ้าเรามีความดีอยู่แล้วต้องรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่าหลงและเลงว่าเราดีเพียงเท่านี้เป็นเลิศจงมีอารมณ์จิตคิดว่ามันยังไม่พออยู่เสมอ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 นี่การนี้ท่านทำอย่างนั้นท่านกับท่านก็ บ, บอกว่าท่านตอบได้ทุกองบอกว่าหลงพ่อพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกที่ผมทานะที่ผมท ำ, นะท ผ, มทำผมไม่ได้เป็นลูกจ้างของงพ่อเนี่ยครับ <c oughs> ผมทำเพื่ อ, อบุญองค์อุศนคือเป็นคันถาธุระป็รกิจของพระสงฆ์ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาจะต้องทำ ในส่วนมิปัสนาธุระผมก็ทำตามกิจของผมเนือว่าผมจำพระบาลีได้วันนิ้พานัษส์สัชิกิรยิยายะเอตังกาสาวังะเหตวาเทียงแปลเป็นเจตความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวะพัฒมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งผนิพันธ์แลหลวงพ่อจะไปนั่งคิดค่าแรงงานกับผมน่นมันจะถูกที่ไหน ผมทําตามกิจในฐานะที่ผมเป็นมิสุสมัมเนยในพระพุทธศาสนาเพราะว่าในพระพุทธศาสนานี้มีธุระอยู่สองอย่างคือคันธุระได้แก่ทุกกณีกายคือการทํางานมันเหนื่อยเขาเรียกว่าทุกกณิกาย 2. องวิปัสสนาธุระผมต้องการเป็นพระของพระพุทธเจ้าให้ครบถ้วนเท่านั้น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 ค่าตัวอย่างเลวที่สุดก็วันละยี่สิบบาทถ้าทํากันเต็มาตราตามที่เขาทาบางท่านก็มีความสามารถในขั้นวันละถึงร้อยบาทก็มีเป็นนะว่าท่านลงมานั่งคิดถึงค่าแรงงานของท่านทีว่าท่านทำมาแล้วกี่วันถ้ามีความสามารถแค่ไหนมีความสามารถแค่คนงานวันละยี่สิบบาท ถ้าสิวันมันก็200บาท30วันมันก็600บาทถ้า3ามทีหวันมันเท่าไหร่แต่ว่าท่านได้มีความสามารถยืมไปกว่านั้นมีค่าในการงานที่วันละร้อยบาทก็มีท่านเสียสละแรงงานไปวันละร้อยบาทสิวันมันก็พันบาท30วันมันก็ 3,000 บาท เวลานั้น่าแรงงานของท่านเนี่ยเป็นจารคานุสติกรรมฐานโดยตรงและก็เป็นจารคานุสติกรรมฐานประเภทเลิอดเสร็จด้วยเพราะว่าช่วยไม่หวังผลการตอบแทนในด้านวัตถุที่ผมพูดนี่เพราะว่าไม่เคยมีพระมีเนรองไหนมาขอร้องบ่าหลวงพ่อครับผมทํางานเหน่อยกืบตาย ผมขอข้าเหนื่อยสักนิดเต่ะผมไม่มีสตังช้แล้วะขอทั้งสิบบาทห้าบาทสลึงสอมสลึงไม่เคยมีพระองค์ใดมาปลีปากบอกบอกกับผมถึงแม้ว่าจะไปโทวงไปถามกับคนอื่นมันก็ไม่มีเห็นแล้ว้วยอย่าง ว่าจาคานุสติกรรมฐานของท่านเนีย่ยเป็นจาคานุสติกรรมฐานันก็นกนมาจะเป็นจารคานุสติกรรมฐานขั้นเลิศ <c oughs> มันเลิศตรงไหนเลิศตรงไม่หวังผลตอบแทนใดใดทั้งหมดทมอาศัยว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านบอกว่าธุระมีสองอย่าง ทันทาระคือกิจการงานวิปัสนาทุระคือกิจที่จะทำจิตให้หมดกิเลสเป็นอนว่าท่านนั้นหลายทำตนเป็นสาวกขอองสมเด็จพระบรมโลกกิเลสเต็มภาคภูมิทคนที่จะภูมิใจและเป็นอนว่าทานของท่านนี้จัดว่าเป็นทานฉันเลิดจิตคิดว่างานพวกนี้จะมีอะไรบ้างเราจะทำ นี่มันเป็นฌานในจาคานุสติกรรมธานทำแล้วไม่หวังผลตอบแทนเป็นจาระตุลที่เรียก ว, ว่าละกันเลยทีเดียวไม่หวังผล ใ, ใดๆทั้งหมดแต่หากว่าท่านจะกาหนดจิตเช่นเดียวกับท่านพระัญญาโคดัญญาว่าผลของการทำงานเป็นสาธารณประโยชน์ในกิจของสองนี้ก็ดี ว่าท่านหลายมีอีกมากท่านจำนวนมากมีความห่วงใยแนวทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเวลานี้หลายวัดต่างก็ต้องลืมตากันอยู่เสมอเนื่องว่าภัยของวัดมันมีมากแม้แต่วัดหน้องสุ่มน้องพ่อจนูนที่เราไปพบกันที่ประตูน้ำพระอินทร์ ท่านไปไหนรูกสิธย์บว่าค้างไม่ได้ลุงพ่อผมต้องกลับภายในวันนั้นคิดว่าท่านจะมีสัจจะอะไรพูดมาพูดไปก็บอกว่ากำมยมันชมุมลุงพ่อห่วงทรัพย์สินของสงฆ์ต้องไปควบคุมดูแลบรรดาวิสุทธิสมณเนให้ช่วยการรักษาของสงฆ์ไองานประเภทนี้เป็นงานหนักนี่เราชีวิตเข้าเสี่ยงในการรักษาของสงฆ์จัดว่าเป็นปรมาทฏิบัติ และถ้าเป็นทานก็จัดว่าเป็นบรมตัตถทานถ้าบรมีก็ถือว่าเป็นปรมธรรมบรมีไม่ได้ยกย่องเพื่อไปยอให้ท่านเสียสละชีวิตเหนื่อยยากท่านทำอย่างนี้ถ้าท่านตั้งใจเจตนาเช่นเดียวกับกท่านญากรท่านยะแต่ว่าจะไปหวังว่าชาติหน้าหนรับตั้งใจว่ามันชาตินี้ดีกว่า เป็นนันว่าจริยาขมรรดาท่านหลายอาศัยจาคานุสติกับวานมีทั้งโลกิยะจาคะมีทั้งทานในจาคะมีทั้งปรมัตในจาคะหากว่าอารมใจของท่านอุจากละอย่างนี้ทละโลภะได้ตัวเดียวโทสะไม่ก็หายไปพร้อมหน้ากัน โลภะจะมีขึ้นมาได้ก็เพระาะอาศัยเมตตาเป็นตัวสำคัญเมื่อโลภะกระโทสะทต้งซ้อมรายการมันสลายตัวไปโมหะ ม, มันจะมีที่ไหนก็ชีอว่าท่านสามารถจะถึงพระนิพพานได้โดยง่ายเอาเราสำหรับวันนี้เวลาบันหมดแล้วก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจในจากคานุสติกรมฐานที่ท่านทำกัน ผลอันใดที่ท่านทำแล้วในศาสนาเขาองค์สมเด็จพระพักวันโดยไม่เห็นเหตการน ย, ยาก ไ, ไม่เห็นเหตุฆ่าจ้างรางวัลขอผลบุญบา ร, รมีอย่างนี้นั้นจงบันดาลให้ท่านอันหลายได้สำเร็จอนาคตผลเป็นพระเดียบุคคลในพระพุทธศาสนาโดยฉชาปนในชาติปัจจุบันนี้เถิดเวลานี้หมดเวลาแล้วต่อที่นี่ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน กำหนดรูดลมหายใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตริยาสัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี